ตรงนี้พะแนนยังเยอแต่กาพุ่งนี้ก็หลนวนนมะที่ช่วยงานที่โคราชออกจบกที่จะได้เร็ไม่ได้เป็นงานแลบุอีสซมตอนนี้เอาสาระสังขารอย่งเรีวแล้วลพอประตานเรย์เปิดทีนน่งเพื่อจจองกันที่โคร า, าข้าไปนะกายพระดาวก็ ทรงกำลังใจล้อมเราเจนคุณข อ, ของท่านก็ไม่ลืมแล้วเรากลาบตรงไหนก็เป็นบนตรงนั้นแล้วเป็นอาุสจักรู้ถึงองบูรินสองเรานึ่งามว่าขั้สุดท้ายือาเบที่เราดิน เราเจอกเป็นอย่างปกติสุขภาพร่างกายสังขหอมของท่านก็ไม่อำนนอนลงก็เรียกว่าลำบากออกมากับสังขารนั่นท่านก็ทนอยู่ได้ตั้งแปดสิบ้นจ น, นโควัยคืออายุเกินหุทิบเจ้าก็ คือว่าภูมินี่เราพูดถึงตอนนี้คือเรื่องภูมิคือเรื่องอะไรตอนนี้ดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงลมเป็งไฟอเอาแค่สอย่างมันแทบไม่เหลืออะไรเลยที่ดินไฟก็ไม่เหลือน้ําก็ไม่เหลือลมก็ไม่เหลือ สิทธี่น้อปูฝาเหลือยังไม่พอเจอาธาตุไปไปที่หนึงนี้อีกก็ไม่เหลืออะไรเลยเป็นคืออธิบดูอันนี้คือสภาวะด้วยความมันจริงในเชิงการตัวสุดท้ายที่ทำให้หลวงปู่เป็นอย่างนั้นี่คือลมหายใเวลานพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเหล่านี้ คือในมาที่จะแสดงสอนไม่เทีเ่ยงพระองค์ไปใช้หลากหลายวิธีในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วสุดท้ายก็มาม่เห็นดึงความลับของลมหายใจจริงๆลมหายใจมันไม่ไใช่แคพิจีารสองคนชอบจีนอินเดียอะสมสักอย่างเป็นบรรทัดใช้คนละอย่างะ อ yeah, ย่อินเดียเขาเรียกว่าโหดิฝึกโยคะอางแรงเรื่องลมปราณฝึกหายใจนี่หายใจไงหายใจเข้าหายใออกทาทางของโยคะหายคือินเดียจนทีนเป็นพลังลมปราณกันแบบเป็นเรือ่องวิชาพกเดกเลมหายใจมันือนนเป็นพันๆปีมาแล้ว นั่นพูดยากว่เาเอาลมหายใจแล้อ่าอนาษาสตินั้นอ่ า, านภาษานสติเป็นหนึ่งเเหมือนธรรมดาเหมือนพื้นผิวแต่มันจะเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมแต่มีความหมายว่ากายต้องเป็นกายที่อ า, าสติคือต้องมีสติทุกทครง เวทนามีสติตุกังกายเวทนาจิตธรรมต้องมีสติกำกับทุกอย่งทุกเรื่องวันนี้เราเริ่มเป็นลมหายใจก็คือกายถ้าไม่มีกายมันก็หายใจไม่ได้มันไม่ติดั้งมันไม่ติดอยู่เพราะฉะนั้นลองหายใจมันเป็นตัวเชื่อมเชื่อมทุงอย่างเชื่อมกายเชื่อมเวทนาเชื่อมจิตเชื่อมธรรม โดยพิจอารมณ์ของกาโยโือกรรมฐานสี่สิบก็คือกายะชนอสสะหรือกสิสิบหรืออรุสติอันนี้เป็นต้องังนั้นเมื่อเราพิจารณากายมาว่าอานาปะนสติคือลมหายใจพ้อที่เขาถามแล้วก็มาดูของคนกนี้ถ้ามันยังพุ้งซ่า ง, งาอยู่ถ้ามันยังคิดข้างหอกกระพุง้งกลางๆอยู่ ปลุกลมหายใจให้มันได้ครับให้มัได้หมายครับว่าถ้ามันตอนเรื่องให้ตอนเรื่องก็คือขอเรา ม, มีสตินั่นเองจริงเรียกว่าอาณาปานะส ต, ติทางนั้นมันก็ได้แค่อาณาปานคืออาจจะเข้าอาจจะออกก็ไม่รู้ว่าอาจจะเข้ า, ายังไงอาจจะออกอันนี้นก็ไม่ใช่กรรมฐานเนี่ยกรรมไม่ใช่กรรมฐานคือไม่ใช่งานของใจไม่ใช่ที่ตั้งของใจของจิตจิตมันไมร่ได้ทางาน ต้องให้จิตมาทํางานรู้คึอกรรมฐานนั่นอยู่นี่คือฐานของจิตการงานของจิตส่วนกายเราทํางานมาเยอะๆแล้วจิตของเราก็เชื่อมกันอานาปะฏิกรรมฐานก็คือคือใช้ลมหายใจเมื่อนำทำงานนี่เกี่ยวกับกายเวินาจิตทำมันเชื่อมโยงกับกายจะพิจารณาอย่างไกลให้เป็นกรรมฐานได้ว่าทํามันยังพุ้งซ่านมันเอาไม่อยู่ ก็ให้นึกถึงวิธีอารักกกรรมฐ า, านจะโตอ า, า, ารักกรมมฐานคือกรรมฐ า, านทั้งสี่ให้นึกถึงพุท ธ, ธานุสติโพอตจยาเมตตาคือความเมตตาอาสุพัสร่างกายความเป็นอาสุภสัสสุดท้ายเอายังไม่อยู่ก็คือมราณานิสติสุดท้ายก็จะต้องไปถ้าไม่ยิลมไป อย่างนี้ขูใจถ้ามันจะพรุงไม่อยู่คําว่าพรุงก็คือสังสารสียงท้่มัดปรงก็ไม่มีเกินไปเรื่องตายเรื่องวจา ก, เ ร, จากเรื่องการหรือว่ากายสังสารวัตีสังสารม่นสังสารเพื่อนแต่ว่าสติเราไม่รู้ต้อตรงเรื่องอะไรเขาพรุงเสร็จแล้วด้วยเรื่องกายแต่คือกายายาในปรัสนาแต่ยังไม่เห็นมันยังไม่ปัชนาคือยังไม่เห็นไม่ของ แต่มันมันจะเห็นตัวที่ว่าต่อไปก็คือเวทนานเมื่อมันปรองเสร็จแล้วมันมันจบมันทุกชอบไม่ชอบหรือว่าเฉยเฉยอันก็ไปทนาทําไมมันชอบทำไมเราไม่ชอบทำไมเฉยชฉยก็กายเวทนาสัญญาสังขารมันปรองมันแต่งกับแต่กันเรื่องอะไรก็เรื่องของกายกลับมาที่เดิมกายยานอัศนาเพราะยังไม่เห็นจิตมันไปเห็นสิ่งเหล่านี้ จิตาแปัชนาคือจิตมันไม่เป็นนิปรัชนามันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือไม่เห็นหมายว่ามันไม่เห็นตามความเป็นจริงคืองสำคัญในาว่าเห็นเนี่ยเป็นเราต้องวางได้คือวางอารมณ์ได้จิตตาในปัชนาเพราะฉะนั้นความเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงของลมหายใจอราไปก็อนาภิสิทธิ์มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเชื่อมทั้งหมดทั้งกายเวทนาคือความรู้สึก แต่วอความรู้สึกแล้วสติแล้วก็ทําไม่พอตามไม่ทันว่ามันมันสุกแล้วอาการมันเป็นยังไงพ้นไปยังไมันทุกข์เป็นทูกขาหรืออาจจะขัดเคืองเป็นอยังไงเพราฉะนั้นดูการเขึ้นไปไปมาของอร่างกายอันเนี้ยมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์ลองดูเขาสมมติเอาทุกข์เป็นที่ปองรเคลื่อนไปไปมายืนเดินนั่งนอนตรงไหนที่มันไม่ทุกข์เอาแค่ไปนอนเป็นหลักเลย ยืนนานทุกไหมนอนนานทุกไหมนั่งนานทุกไหม้เดินนานทุกไหมไม่คือว่าทุกข์ค่ะทุกข์ไปทางไหนผู้ใจต้องการให้เห็นสิ่งหล่นี้เรื่ตัวแรกที่ผู้ใจสอนเราตรงนี้แต่เราไม่เห็นนอนเป็นทุกข์ตอนนี้เรีว่าทุกข์เนี่ยมันตัวบางอะไรก็หมดมให้เราบองเห็นทุกข์อนนี้ มันเปลียเป็นเร่องเป็นบ่อยที่มองไม่เห็นมองไม่เป็นทุกพาระคำอะไรอุจจาระใชาว่ากำหนดมาได้หายละนะฮะปล่อยไม่มีเพราะว่าทุกอย่าต้องกำหนดมันเป็นจะเห็นไม่ใช่เพราะมันวนาะตัวที่ละอตัวเหตุก็คือตัหาตัวที่ต้องลากต้องห้นม้เป็นแต่ตัวกำหนดรูปวิทุกที่เป็นนั นึกแ่เวทนาอย่างเดียวนะมันอสเวทนามันอาศัยอะไรอาศยความนี่ิเดินไปมาคืออะไรคือการเราความวรู้อย่างนี้แเราจะยืนเดินนะตอนพร้อมกลับลงมาเกิดร้วความมีสตินี่คือตัวสติเปันเชจฉุมโยงให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้แต่เราทําอย่างนี้สิบห้าทียี่สิบนาีไม่นานเลยแป๊บเดียวแต่ถ้า เราไม่พิจารณาอย่างนี้ไปคิดเรื่องอื่นพรุงแต่งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เปิดเทีง่งเปิดขาห้าดีซิปติมืมอ็นอมงมันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอารมณ์มันนะเพราะมันไม่พอใจกพราะจิตมันไม่เคยอยู่นี่จิตไปอยู่ข้างนหน้าตลอดข้างนอกมาจากน้ง น, นอกตัวจิตมันเห็นแต่มันไม่เห็นตัวเองเป็นคนอื่นเป็นเรื่องอื่นแล้วก็เอามาคิดมาปรมงแต่ง ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แต่มันไม่อยู่กับปัจจุบันมีคือสิ่งทีเจอบอกคำนวณเ ด, ดื่งกรรมใหมันก็อยู่กับอารมณ์ของปัจจุบันว่าจะเป็นสุขทุกข์ชอบหรือไม่ชอบให้เข้าใจมันให้ได้ให้เห็นมันแล้วก็าวางมันปกติอาเป็นธรรมดาบนเรืเมื่อเช้าเพพูกเรานั่นคือธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติแต่ให้จการันตีความเป็นธรรมดาของมันเป็นธรมรมดาเสร็จ ค, คือธรรมจริยาคือเพราะอัดข้อทํา ที่จะมาใช้กับอันนี้มันคืออะไรกันนะก็คือธรรมเทศนาท่านที่มันแสดงชี้แจงให้เห็นถึงความเป็นธรม ร, ธรมดาทางไม่าช่การโดยมุ่งไปที่พูะเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามันยังพุง้งซ่านยังเอามาจบไมอยากเอาพูะเจ้ามาครูกดนึกถึงพระเจ้าเอาพระเจ้าของเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายภาษาเราทเอ ง, งมันเหมือนมนุษย์บรราทั่วไปไหมเหมือนพวกเราไหมตั้งแต่เกิด เรายังไม่พูดถึง่อนเกิดพอตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนพวกเราไหมไม่เหมือนหกขวบเจ็ดขวบมีอกทธิปฏิหารเยอะเยอะมากมายอันเนื่องจากผลของการทำสะสมเหตุปัใจจัยในอดีตชาติแค่หกเจ็ดขวกก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเรียนเสรอจจบอายุสิบหกแต่งงา น, นที่สิบปีก็เข้าป่านี้นี่ผูเจ้า พราเป็นตบบวิตย์สิติอยู่45ปีตลอ45ปีผู้จ้าผู้จ้าเราก็45พันสาเขาเป็นอับพัรษา45พันศาซึ่งต่างกับคนอายุที่บทแปล20นี่ก็เยอะแต่พระองบทอาย่9มาประสบความสเร็จอายุ35ใช้เวลาเผยแผ่ศาสนาทำมา45ปีดูพุกทุจริตตอนแรกตอนจาก รู้เคลดลับอามณหายใจคืออ น, นาคาตเสื่อเป็นประสบจนวรรคสุดท้ายเราจะท้ายก็คือลุบผางราอมไรคือตายทำงานจนวัย8าในวัย8สิือีนอารมลมจนหยุดหยุดวายจางหลักจะกบทให้สุภะาาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาสุภะจะเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายที่ผู้จับททอง พอเสร็จแล้วท่านก็กลับนอนในท่าสีห์ใสัยยาหลังจากนั้นก็นีจัดวิจารณ์ขั้งสุดท้ า, ายว่าสรุปยังไงภาษาไทยก็คือผู้ดเดยทั้งหลายหย่บประามาทมาทำวินัยใช้ใช้ว่าทําแล้วก็วินัยที่เรากาล่าวมาหรือจัดมันจะเป็นครูจะเป็นาศาสตราจะเป็นตัวแทนของผู้โดยทั้งหลายเมื่อเรามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผูเ้เธอก็หยับประมาณ คำว่าอย่าประมาทคือให้เรามีสตินั่นิสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอริยมนรคสติปัฏฐานคือฐานของสติหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้จะอะไรอีกเลยากาหนดรู้จนคนผูุ้ชนเสงสัยว่าวรรจิตจิตของพระองค์เป็นองค์ประธ า, า, านธ า, านรุณนิทาานาะเข้าชาเขารู้วรจิตฟังยา ท่ า, ารุ่นถาเป็นพระท่านที่มีอายุยืนรูปหนึ่งก็มาเล่าให้ผุ้ทุชนฟังตอนพระอริย์ไม่กวนสงสัยแต่สําหรับผู้ทุชนทั่วไปยังไม่สงสัยว่าพระเจ้าตอนนี้จิตของพระองค์เป็นยังไงพอพระองค์นิ่งทางวุฒะละโบพระบบองค์ก็ะชับวิช า, ชาที่ เรียนมาจากอาจารย์ทั้งสองคืออุตตะร า, า, าบุตรกังการาบุรคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่กโรสมาัตเิเป็นพื้นฐานซึ่งพระ อ, องค์ทำให้ตัง้งแต่เด็กขอเพิ่มอี้งเดแต่มสัสามารถที่ก้าหน้าไปได้คือมันไมส่สามารถที่พ้นทุกได้มส่สามารีละตอนปล่อยวางถ้าถามอาจารย์แจงก็สอนแนี้พระ อ, องค์ก็ใช้อันนี้ รูปประฌานอารูปประอานนี้เป็นกรณีศึกษามันจะเป็นตัวอย่างว่าคนเราใกล้จะตายถ้าอยากกระโดดอะไรไม่ได้ดกระโดรูปไม่ได้กระโดดน้ํามไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็ทําดูเป็นตัวอย่างกระโดดกายกระโูดรูปตัวตัวฌานเป็นตัวรูปฌานแล้วก็อรูปฌานคือเข้าออกฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สาัฌานที่สี่อรูปฌาน อารูปฌานสี่ก็กำหนดอยู่ตรงนี้เข้าออกเข้าออกสุดท้ายก็คือออกจากอารูปฌานอันนีจิตของผู้ดชนจิตแฝงตามไม่ร้ไม่สามารถอ่านตามได้ถ้าออกจากสิ่งนั้นแล้วก็คือปล่อยทั้งรูปฌานอารูปฌานแปลว่าบุญบาปก็ไม่เอาเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็คือไม่ได้มุ่งไปที่บุญไปที่บาศ ใหนจิตเราเหนือบุญเหนือบาปพวกเหี่บุญก็ไม่เอาบางก็ไม่เอาผมบุญบานมะีผาคือดับเรียกว่าดับมีผานะครับเรียกว่าดับผานือเรียกว่าเย็นซึ่งพวกเรายังไม่ดับพวกเรายังไม่เย็นแม้แต่ร่างกายหรือจิตใจเราจึงส า, า, ามารถเข้าถึงปฏิภาณออกเพราะนั้นตัว่ปราบตัวนี้อเอาแรกก็คือซึนต้องทำมันปกติก่อนสิ้นที่เรียกปกติ ยินจะได้ว่าเย็ยนในความหมายคือห้เย็ยนก่อนให้เราปกติก่อนแล้วค่อยพิจารณาเริ่มต้นจากลมหายใจเอาพู้ที่จะมาครูดูผู้จะใช้ชีวิตยอย่างไรคือเอามาใช้กับร่างกายผู้ทีเจาแม่ตาผู้จะแม่ตาไม่มีที่สุดเรื่องนี้ประมาณกับสบสารทั้งหลายในสาแดนโลกธาตุ ไม่ใช่มาต่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาอินพรหมเมตตาของพระองค์ไม่มีตามา่าซึ่งต่างกับพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเมตตาของเรามีทุกคนแต่จํากัดจะเมตตาเฉพาะคนที่เราชอบคนที่ไม่ชอบเมตตาไม่ได้ให้อภัยคนที่เราชอบได้แต่คนที่เราไม่ชอบอภัย้ทไมงกั้จิต ด, ดวงเดียวกันแท้ แต่มันอุชิคิดมันต่างกันเนี่ยมาทําไมในเพราะอะไรถึงเราจึงต้องปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเคร่งนเพื่อหาปัจจสิ่งเหล่านี้แล้วก็นกําสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนเรื่องของเมตตาความสัมพันธะ์เนี่ยเมตตายัางถ้าเมตตายังมันี้ยังไม่พอเมตตากระไรว่าอาสุภะดูร่างกายดินน้ําไฟลมอันนี้นทางนอกทั้งในากายนอกนอกายนในรวมไปถึงข้างใน ตัดไปเสื้อกุมที่เราเห็นหอ้อกเรายังมองข้างในไม่เราเห็นความงามความงามข้างนอกมิดตั้งแต่ผมเป็นต้นเสื้อผ้าอา่อนซึ่งมันเปลือกมันหอ่มนหอมันห่มเอาไว้ถ้าแก้พุนี้ออกถ้าไม่มีอะไรเลยจนผมเสื้อผ้าอ่อนค่อ น, นสวยตรงไหนยังเข้าไปข้างในอีกว่าอสุภะเข้าไปข้างใน ลรายังมีตับไตเส้นรุงลำไส้ไส่น้อยใส่ใหญ่อุจจาระปัสสาวะแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นถึงหลงนงมันจะข้ามสิ่งนีไปไม่ได้แต่พูดง่ายคือแค่ผิวหนังบางๆเราจึงเจาะไปไม่ได้เพราะขาดสติปัญญาเราจึงหลงเรื่องโมหะหลงว่านี่สวยงามดืยึดติดท่าที่อุป า, าทานไปมันก็ไปไปไหนไมาไหร น, นี่คือกัอบอาสุรา ถ้าเข้าใ จ, จอย่างนี้ก็จิตมันก็จะอย่างน้อยมันเข้าใจโ อ, อ, อ, อมอยากจะเห็นว่าสวยจริงๆมันก็ไม่สวยที่มันน่ารักน่าชังก็เพราะว่าจิตมันชอบมันพร้อมพร้อมแต่ไม่รักน่าชังในอยู่ข้างในมันก็มีอุจจาระปัสสาวะน่ารักน่าชัางไหมเป็นของดีไหมของเน่าของเสียทั้งนั้นที่อยู่ในตัวเราจะมองไม่เห็นแต่เราออกมาเนียของหนักของเราอุจจาระปัสสาวะออกมาออกมาทุกวัน วั น, น, นได้ออกไม่มีถ้าไม่ออกเดีอดร้อนจริงเรียกว่าทุกทุกขะคือทุกหนักทุกเบาคืออุจจระเสวะนี่แหละจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันแต่เรามองไม่เห็นจริงนั้นมันทุกตั้งแต่จีเอา เ, าเข้าไปแล้วคือเข้าไปทางปากแล้วอมองไม่เห็นเพราะสติปัญญาอันนีงไม่พอเราจึงฝึกสติปัฏฐานคือฐานของสติโดยกําหนดลมหายใจ มันเชื่อมโยงกันหมดโดย เ, เอาแต่นี้เป็นสัมพาน์เป็นตัวเชื่อมมันจะถึงกันหมดทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมมนะกลายเป็นธรรมราธรรมธรรมชาติ น, า น, านะ น, นั่นคืออรรถทรของอานาป า, า, านาปสติเพราะฉะนั้นถ้าอาณาปารสติเราปฏิบัติถึงแล้วพร้อมแล้วแม้แต่วิธีการอย่างอื่นเช่นทุกวนันนี้ทันโกอินกานี่ก็อาณาปรารมีสติดูละม้ายใจ ว่าถืสอสงคากรเพื่อรักษาโรคบหมัดโรคท่านเป็นลูกใหม่เกรนเราคนมีตังค์ไปรักษาที่ไหนหมอที่ดีที่สุดในโลกเอเชียยุโรปอเมริกาไปรักษาถนนรักษาไหนรักษาโรคไมเกรกนขึ้นปวดหัวไม่ได้กินยาที่ดีที่สุดหมอดีที่สุดไม่ได้ก็มาถามอาจารย์อาจารย์เขามาทาาันโกรงชายเปคนอินเดีย ไอ้วันฉันทำมาค่าขายระเทศพรมาก็กไปฝึกกับอาจารย์ฝึกก็ไปฝึกอาณาประสาทีเราหายใจไ ม, ไ, ไม่ต้องไปกินยุงกินยาเลยฝึกกนจนไม่เกรนหายมหัศจรรย์ยิงเชื่อว่าอ๋อพุทธศาสนาอันดีน่เองแค่ลมหายัดอาจจะมีสาขาปัจจุบันเยอะแยะมากมายทั่วโลกสนใจอื่นเดียว นี่คืออานาป ร, นนราสนสตินะฮะคู่ับมหาจัจจันทร์นะถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเราบอกว่าเป็นอย่างนี้เจือปอ า, ายตาอนบอกอนาปรสนสติหรือสติปฐานฐานของสตินะต้องหาให้เจอหาให้ได้แต่ถ้าเราเจอไมา่าาเจอมันก็เป็นให้สเปะย์สปะมันก็ได้สัญญาคือปรุงแต่งไปด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่เนี่ยใจเย็นๆให้มันถูกวิธีค่อยเป็นค่อยไปดูการขึ้นวัดไปมาก่าองไป ให้มีสติจึงเกิดปัญญาจากสิ่งนั้นเพิ่มเติมเพิ่มไปผู้อาจารย์แต่ละองค์มันไม่ใช่แค่พบนี้พบเดียวนะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเหตุปัจจัยทื่ท่านปฏิบัติแล้วประสบความสําเร็จเราไม่รู้ผู้อาจารย์ทุกองค์ทุกผู้ทุกนาท่านมีเหตุมีปัจจัยสะสมกันมาไม่รู้กี่พวกี่เท่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกุศลท่านตัดเอาไว้ ว่าเราทุกคนที่เกิดมาเป็นคนต้องมาพบเจอพุทธศาสนาและเอาอวัยวะตัวอย่างเขาล้วนแต่ทําความดูมาก่อนเป็นคนมีศีลมากโอถ้าศีลเราไม่มีศีลเราไม่กบไม่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเรามาตาข้างเดียวหูข้างเดียวแขนข้างเดียวขาข้างเดียวเราก็ให้เหมือนกันอยู่มีหูก็ใช้หูไม่ได้มีปากก็ใช้ปากไม่ได้ นี่แขนก็ใช้แขนไม่ได้นั denen, ่งเหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นมาเหมือนกันนะกลับมาเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกับพวกเราอาการส 3-2 วันเพราะนั้นพวกเรามาพร้อมอย่างเนี้ยอย่าไปน้อยใจหรืออย่างเดียวคือไปต่อยอดว่าทำยังไงเราโชคดีเจอพุทศาสนาอย่งนี้เจอพระแม่คือว่าอาจารย์เจอหลักธรรมกาสอนดีและที่สำคัญคือเราได้ลงมือปฏิบัติด้วย อย่าประมาทอย่าจะว่าการปฏิบัติการเปลียนเล็กน้อยไม่แตะอะอันนี้คือเป็นวาสนาบารมีเป็นนิสัยเป็นปัจจัยถ้ายังไม่ไปไหนมาไหนมันต่อได้แต่น้อยก็เป็นเป็นนิสัยติดตัวมีนิสัยอยู่ก็มาต่อยอดเอาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเกิดมาเป็นคนเป็นพพแต่ว่าชานี้ไม่เอาอเลยรหรเรื่องศาสนาสน่นบางคนไม่นับถือด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าเออพระเจ้า เป็นคัดผู้จําไม่มีหรอกไม่มีจริงเป็นไปได้ไงเกิดมาจะเดินได้เจ็ดเก้าวมันไม่มีโลกมันเป็นไปไม่ได้ น, นั่นคือคนที่นั่นนั่นือศาสน า, ศ า, ศาและอื่นๆก็เช่นเดียวกันเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อก็มีเยอะแยะอันนี้เรื่องเสียชาติเกิดชาติต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นลองลองนึกภาพอ อ, อกถ้าจิตมันต่ําขนาดนั้น มันจะไปไหนมันอะไรลงต่ําต่ำกว่าต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่าคนคืออะไรคือซ า, า, าสึกษาละซาถ้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่ศีลไม่นะดเนี่โทษม่าจิตใจนั้นหยาบช้าสามาเจอพุะศาสนาแล้วในสมัยพุทธการก็มีนิดเนี้ยหมายในประวัติครูอาจารย์ก็มีด้วยในยุคของเราเนี่ยเกิ ด, ดท่านผู้เจ้างหลายองค์แต่มันรับประโยชน์จากกันไม่เกิด แต่มันสำเร็จมาขอจะมายุคพวกเราเนี่ย 2,000 กว่าปีเลยคนเปลี่ยนวายแต่เกิดตั้ง 2,000 กว่าปีมาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วทำมาสังเกจมันน่าจะเกิดขึ้นมัง่งไม่มากก็น้อยนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันมาถึงขนาดนี้สิ่งที่เราไม่เคยมีไม่เคยเป็นมันไม่มีไม่เคยเป็นพ่อหม่ลูกเป็นหลนังเป็นผู้ิผู้ชายไม่มีเราเป็นวันวันแล้ว ไปแต่เราจําไม่ได้ทำนี้เองเพราะนั่นชานี้จําไม่ได้ครับไมันจะลองเร่งพยายามปฏิบัติดูลมหายใจเพื่อเองมันจะเชื่อมโยงกันเองจนเกิดสติปัญญาเห็นแจ้งดูแจ้งเป็นจริงตามก่อนเป็นจริ ง, ต า, ง, รรงตามรู้ดูเห็นจนเข้าใจซึ่งเหล่า น, นี้ที่เราอานาน่ไปตามดูคือดูลมหายใจขอาเองจนรู้เราก็เห็นเห็นแจ้ง เห็จริงม่ไเห็นออกเห็นแจ้งของจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาติเขาอย่างเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเรื่องรูปเรื่องนามชัดเจนว่าโอ้เรื่องรูปมันเป็นอย่างนี้เรื่องนามเป็นอย่างนี้เรื่องกายเป็นอย่างนี้เรื่องจิตเป็นอย่างนี้แยกออกแม้แต่สุขทุกข์ก็ตามสุขมันก็เป็นเรื่องของกายมันเป็นเรื่องของกายไม่หรืเรื่องกายมันแค่ที่กายถ้าสุขก็หรือทุกข์ก็ที่จิตมันแค่ที่จิตต็วแก่มันถูก ดังการที่เราปฏิบัติเราเรามาดูเรื่องเลยมลมหายใจ้ไปถจงูกสระศีรษะจนถึงใจมันมีผลรนวมกนจากหัวใจปอดของเราสําันั่นคือจากลมหายใจธรรมดานะถ้าเราหายใจเป็นหายใจถูกต้องปอดมันก็มีออกซิเจนหัวใจมันก็ทํางานช้าลงน้อยๆอายุเราก็จะยืดขึ้นเพราะว่าการทํางาน คนกายการทำงานของหัวใจนะเหมือนเวลาตกใจหมัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นบวมดมดมแบบแบบแต่หัวใจปกติมันจะเต้นช้าลงเพราะนั้นการทําสมาธิเนี่ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วหัวใจมันก็จะเต้นช้าลงทุกอย่างอากาศเพอออกซิเจนอยู่ในไปหลอเลี้ยงตั้งแต่สมองลงมาถึงหัวใจปอดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเราปอดเราดีทุก อ, อย่างดีมดเพอาปอดมันเป็นหล่อเลี่ยงร่างกายคือลมนั่นแหละลมสะอาดลมบริสุทธิ์ชุดช่องข้ามกับมันลมที่มันไม่สะอาดเพาะมันไม่บริสุดลมที่เป็นพิษมันก็ขจัดออกอันนี้คือความสําคัญของลมหายใจอานาปานสติหลานอยากขอเราทั้งหลายดูลมหายใจของตัวเอง ทำสามคำหลวงพ่พูดมาไม่จะพูดอย่างไรแล้วมีคาอารมหายใจนัเคล็ดลับของลมหายใจก็อะไรไม่คือลมถ้ามันไงมันถึงจะหายไปทำอะไรนี่หรือแต่ใจแล้วมันเกิดสติปัญญาเห็นสิ่งเหล่นี้เห็นคืออะไรคือเห็นใจเห็นยังไงเห็น้องเป็นสุขแต่ถ้ามันเป็นทุกข์แล้วสุขทุกข์แมันไม่เกี่ยวกับเราเมื่อสุขมันอยู่ในใจก็เรียกสุขใจ ทุกข์ไม่อยู่ในใจเราทุกข์จะเห็เออเรารู้ปัญหอร่าแล้เนว่าถ้าสุทุกข์มันไม่อยู่ในใจคือ อ, อ้อแล้วตู้เปกข์คืะวังอารมณ์ใจมันก็เป็นอิสระไม่เป็นลูกน้องของใครไม่เป็นที่งข้าข อ, ของใครทุวันนี้ถ้เราทุกข์ใจกับพระวันเนี่ยจะสุขจะทุกข์ละเป็นตัวผสมโรงเราจะเห็นไดสติละมันก็เกิดปัญญาละเข้าใจส่เพราะฉะนั้น ทุกอย่างถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์คิดอย่างนี้มันเป็นสุขอะไรเปนสุขอะไรเป็นทุกข์ไ <Wow. S 1> ม่ในจิตตานุกข์สนาแล้อย่างนวิจิตตานุกข์ศาสนาแล้วเราได้สติได้ปัญญาอ้กมาเป็นธรรมานุปัสสนาบอกว่าลมหายใจเป็นตัวเชื่อมได้ทั้งหมดคำคำเดียวมันเชื่อมได้หมดถ้ามันเชื่อมไม่ได้ก็เอาครูคืออารมณ์กรรมฐานหรือว่ากรรมฐานสี่สิบเช่น อาศุภะกรรมฐานเป็นต้นหรือว่ากระสินสิทหรือว่าอนุสติอนุสติคือนึกถึงพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสรงฆ์ญาคลานเดียวดานสติสีลานุสติอันนี้เป็นต้นมีเยอะแยะมากมายแต่เจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเอยใจเราทําให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะไม่มีหลักในการคิดไม่มีหลักในการพูดไม่มีหลักในการกระทำคนหลักลอยมันก็จะ ม, มีหลักในกันคิด เพราะฉะ้นสิ่งนั้จเป็นจำเป็นจึงหรือจําเป็นมากในชีวิตประจำวันฝึกให้เป็นนิสัยเป็นบ่อยเห็นทุกอย่างด้วยปัญญาแลกเอาวางจนั้นมจนชินจนเกิดสติปัญญาเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นเออจิตเราก็จะเป็นธรรมชาตินะจะเข้าใจธรรมชาติเลยทั้งหมดทั้งมวลอย่บนโลกไปนั่นคือธรรมชาติมันเกิดเองเปิดเอนแล้วจะมองทุกอย่างเป็นธรรมดา เป็นเรื่องปกติไป่ใ่ผิดปกติตเดินเมื่อธรรมดาเสร็จแล้วก็เอาของเป็นธรรมดาเนีเอามายกมาพิจาามันเป็นธรม ร, ธรมะโดยธรรมะใจเย็นคือข้อปฏิบัติคือคพึ่งใหเข้าใจในหลักธรรมโดยหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์หลักนีนี่คือภาพรวมของศ า, าสนาพุทธของพุทธศาสนาและพุทธของคระนี้ถ้ารักเข้าใจจริงนล้วก็คือเข้าใจตัวเองว่าธรรมชาติของตัวเองเป็นอย่างนี้ ธรรมดาของตัวเองเองทุกวันเราไม่ไม่เป็นธรรมชาเราไม่ใช่แค่ธรรมดาของตัวเองใจมันเป็นธรรมดาไว้ปกติธรรมดาคือทั่วไปคือสามะสามันกคือแบบทั่วไปแต่ตอนนี้เราไม่ทั่วไปเราผิดปกติเราเห็นสิ่งท่างหลายที่เข้ามาต่างตาคดีตางหูก็ดีมันไม่ปกติไม่ปกติคือบางเวลาพอมันไปติที่เราชอบกับไม่ชอบตัวที่เฉยเฉยมันไม่มี เพราะสมาธิเราไม่พอเรียกําลังของสมาธิมันไม่พอแสดงว่าขาดขาดสมาธิก็เพิ่มเมื่อสมาธิกอื่นญญาปัญญามันเกิดแล้วแต่มันก็แสงสว่างทลายความมืดเมืองพระอาทิตยเกิดขึ้นในทําการตอนเช้าพระวสสว่างส ว, า, งสวายวาทั้งหดโลกมองเห็นหมดเนี้ยแั้นปัญญาเราเกิดแล้วเราก็จะเห็นตัวเราเองเนี่ยสว่างสวายทั้งโมกนี่อะไรติดนี่อะไรบาง ความดีความไม่ดีความงามความไม่งามความชุกชุกความสะอาดที่มีตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดมันก็จะวางมันได้แล้วเข้าใจโดยสภาวะมาโง่รูปร่างกายของเราสุดท้ายมันเลยตกะกดูเกิดโค้งมั น, ม, น ม, มีอะไรแลสภาวะอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเกิดว่าใจละลักษณะสามอย่างนี้มันจะเหมือนไม่เคยเหนือสิ่งมันทั้งสุดท้ายปาทางอะไรา เราเห็นสิ่งนี้อมเป็นใจรักคือธรรมดาเห็นการเกิดของมันเห็นการตั้งอยู่ของมันเห็นการดับไปของมันอยู่ที่สติปัญญาความสามารถสมาธิปัญญาของเราจะเห็นสิ่งนี้ในแต่ละวันเห็นกี่ครั้งเห็นมากเห็นน้อยแต่ไม่เห็นเลยยิ่งลำบากไม่เห็นความเป็นใจรักเลงยิ่งลำบากสุดท้ายกระทงมันต้องเป็นใจรักใจรักคือลักษณะสามอย่างคือการเกิดขึ้น กันรวมอยู่แล้วกันดับไปคือหายไปจากโลกพูดอะไรไงถ้ า, าเราเห็น ก, กันเกิดเจ็บตายเห็นต้อแต่เกิดเป้นเก่เจ็บตายเห็นคุณเห็นโทษของการเกิดการเก่การเจ็บต่างตายมันก็มีแค่นี้มันไม่มีอะไรมากไปยกันนี้มันุษย์เอาเฮ้ยก่อนที่จะเกิดเก่เจ็บตายหรือหลังจากตายไปแล้วนี่ทําอะไรไม่ได้หลังจากหมดลมหายใจเราทําอะไร ไ, ได้บ้มีเท่าไหร่ทําทอะไรไ มีรอ้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทำอะไรมีทรักย์สมัติมากมายทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไระไม่ได้อันนี้คือสมบัติของใจถ้าเราไม่สร้างทำเป็นให้มีในแต่และ ว, วันซื้อสิ่งเหล่านี้มัไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเช่นเราหายใจไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปซื้อมันมีอยู่แล้วแต่เราเรนึกไม่ถึงเรื่องนีน้แต่ลัววนเราจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ให้ความสำคัญ ครับสิ่งเหล่านี้เราเพื่อไปรับประโยชน์จากการเกเกิดกตยอี่างหน่งก็คือเราไม่เข้าใจคําว่าพุทธศาสนะนี่คือหลักคําสอนของพุทธคำว่าพุทธไม่ได้แปลว่าพระเจ้าพุทธไม่ได้แปลว่าเจ้าชายเสด็จพไม่ได้แปลว่าพุท ธ, ธรูปคําพุท ธ, ธถ้าเราเข้าใจอย่างนั้ตรงกันนะเออใจเราเป็นพุท ธ, ธทุกคนไม่ได้เข้ า, าใจเขาเปอริยะเข้าใจเขาเป็นพระ มันเป็นได้ทุกคนความเป็นพระนี่เป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคณะหญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้สถรณะก็มเป็นได้ตรงการฆ้าไม่เป็นพระไม่เป็นอะไรใจก็เข้ามือกับสภพสัท์ทั้งหลายร่างกายเป็นคนร่างกายเป็นพระร่างกายเป็นเนรร่างกายผู้ปฏิบัติแต่จิตมันไม่ได้เป็นจิตมันไม่ได้เป็นเนี่ยเพราะตัวจิตเนี่ยตัวสําคัญถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พะสุดท้ายจิตมันต้องออกจากรางมันต้องไปต่อส่วนร่างกายเนี่ยมันอะไรที่ได้มันก็กลับไปสู่ธรรมชาติของเขานี่กค็คำแรกก็ธรรมชาติอะที่เราจะพยายามที่จะบอกว่าอันนี้คือธรรมชาตินะถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของเาเพราะนั้นธรรมชาติยัไม่ได้เปลี่นต้นไม้สายนาภูเขาไม่ได้เปลี่า ด, ดินน้ำลมไฟสื่ๆนี่คือธรรมชาติแม้ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรทกลับไปเป็นธรรมชาติของเขาให้เห็นสิ่งเหล่านี้ ตามความเป็นจริงโดยสภาพโดยการปัญญาจะเกิดปัญญาสติปัญญาเพราะนะั้นสติปัญญาเป็นตัวที่มันสำคัญมากมากถ้าไม่เกิดสติไม่เกิดปฏิบัติแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่ต่อเนื่องสุดท้ายก็ได้แต่สัญญาอยู่ก่อนจาได้ไหมดูคิดตัวเองดูเอาเองพุ่งเองสังสรรค์ขนเหมือนกันไม่คิดตัวเองก็เองสรุปเองสัวแจกเขาจะเป็นยังไง อันนี้เป็นอาาะไรกันนั้นสี่ตัวนะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจยากอย่างมากก็คือเวทนาสัญญาสัขงขารหยินหยางแต่เอาแค่ห ย, ยาบๆก็คือรูปพวปก็คือขันขันห้างรู้ที่อยู่ขันห้องเรายังเข้าใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราะชีวิตถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ยชีวิตเราจะดำเนินการยังง จะใช้ชีวิตกับผู้นี้อย่างไรเริ่ม ต, นต้นจากเราได้ชีวิตมาแล้วก็คือชาตาชาติมาแล้วมันมีชีวิตมีความเป็นอยู่ดำรงอยู่ทุกสรรพสัตว์ทุกดวงวิญญาณมันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนนั้นเรามีผู้ถึงพบพอที่เป็นชาตาิมาแมันก็มจาจัดพบคือพระนี่คือกามาพบรูปประพบอารูปปพะพบจนกลายเป็นเป็นชาติคือชาติคือเกิดนั่น เพราะเกิดเสร็แล้วมันก็มีชีวิตมีลมหายใจมันจะใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงตึ้งคุ้มใช้ชีวิตอยังไงที่เป็นประโยชน์เราได้ประโยชน์จากการมีชีวิตท่านก็บอกไปแล้วว่าชีวิตเนเท่าชีวิตคนไหนเท่าไม่มีศินปเปลี่ยกนกรรมกับเท่ากับไม่มีชีวิตเหมือนกันก็มอนต้นมา้สายนาะเหมือนกับวัว ก, กับควายเขามีชีวิตเหมือนกันน่ะแต่เศษสักตัวไม่มีมีความสกัดของมสินเพราฉะนั้น เราจะกลับมากลับไปเกิดเป็นคนเป็นเงินสินเป็นตัวเป็นพื้นฐานทาให้เราเป็นอย่างใดเพราะนั่นสำคัญรากต้นคือสินสินไม่ได้เป็นต้องไปขอจากพระตอนนี้ น, นั่งทันทีเป็นสินทันทีไม่พักปฏิบัติดูต่อประหยัดก็ต้องไปขอจากพระแ้่เข้าวัดพระกับคนให้สนินนั่นคือสินในทางประหยัดในทางปฏิบัติไม่ต้องเลยตอนนี้นั่งต่เนี้กายไหวใจ เราไม่ใช่ตทางกายทางวิญญาณนี่เป็นสินทันตีแล้วให้ภูมิตอนึกถึงว่าเออวันนี้เราไม่สินเราจะไปร้องขอกับใครสินตัวสินสมาธิต้อเข้าใจว่ามันสงบแะ้วครับมันได้ฟงสร้างไปตามต า, ตาหูจมูกที่มันพัฒนะคือกระทบที่มารับอารมณ์คือสิ่งที่รับมาทั่วไปรับมาแล้วดีไม่ชดีแต่เราไม่รู้คือตามไม่ทันตามไม่รู้ดูตามไม่รู้ ด, มไมดูไม่ทันคือไม่มีสติคือปฏิจังอิ น, นี่คือหลักและขั้นตอนชีวิตไม่ชีวิตอยู่อย่างเี้แล้วก็ต้องทำงแล้วชีวิตนี่ถ้าไม่มีจิตกํากับมันจะอยู่ยังไงมันแค่ชีวิตหลักลอยมืชีวิตทั่วไปเหมือนคนชีวิตจิตเอาจะอยู่ยังไงกับจิตจะทํายังไงกับจิตที่มันปรุงมันแต่งมันปรุงอะไรมันแต่งอะไรผลก็ปรงุงเป็นผลแต่งเป่นยังไงด้วยจิตซึ่งทุกคนต้องมีแม้แต่สัตว์สิ่งมีชีวิตมันต้องมีแต่มันไม่เหมือนคน มันทำให้สูงกว่านี้ไม่ได้ทำให้ดีกว่าไม่ได้เจ็ดบวเควายเข้าได้แค่นั้นจะพูดแต่งมัอเหรอไม่ได้นะี่ก็แตกต่างนี่คือความชั่วดียของเราอะไรคือจิตนะเพราะฉะนั้นใช้จิตเป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าของจิตจิตกรรมนี่แนหะตัวที่สานก็คือมันมีผลตอนนี้แหละกรรมมันเกิดจากอะไรก็จะกความคิดตัวเองนั่แหละสมองนี่แหละระเบิจิตตะสังขารก็จะสมองตัวเอง นึกค่ว่าคำเกิดจา ก, กตัวพู้ตัวใจาที่มันคิดกันแล้วมันก็จะได้ออกพวกเสื้อผ้าทางกายคือการกระทําสามลูงเรียกว่ากรรมทื่การกระทําอันมีทั้งดีและมันดีก็เรียกว่าผู้สนกรรมอ่ะสนกรรมอภิญญากรรมรนี่คำคำ น, นี้ทุกคนไม่มีคนไหนที่มสภาวที่เป็นผู้สนสภาวที่เป็นอกุศลสภาวะเป็น อภิญญากา ต, าต่างแต่อย่างไรกาตา็ต่างทั้งสามอย่างต้องต่อท้ายด้วยธรรมะเรียกว่ากุศลธรรมอักุศลธรรมอภิญญาการธรรมเห็นไหมมันเป็นธรรมะทั้งสามอย่างมันไม่ใช่ว่ากุศลธรรมเรียกว่าธรรมะอากุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่มันเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉนั้นจําเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมดทั้งสามอย่างนะะอ่จิตที่มันกุศลมันสภาพมันจะเป็นยังไงเมื่อไหร่ จิตที่เป็นอกุศลมันจะเป็นอย่างไงจิตที่เป็นกลางกลางอภัยกระดับเป็นยังไงนะถ้าใครไม่ภาวนาสภาวันี้ไม่เกิดจะไม่เข้าใจสภาวะเหล่านี้มันจะไม่เกิดกับคนทั่วไปมันเลยเกิดจากการคิดตัวเองคูมด้วยเอาเองมันเกิดจากสมาธิกันปฏิบัตินล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งนั้นสมาธิชีวิตจิตกรรมธรรมะเพรเพราะว่าเรา เอาธรรมะก็อะไรทั้งหมดกธรรมะจริยาการประพฤติทธรรมอย่างใดอย่านึ่งคือมีสติคือรู้แล้วเกิดปัญญากับสิ่งเหล่านี้เ น, นี่ยคือเป้าหมายในฐานไม่งั้นชีวิตเราก็ได้แค่นี้นคือคนทั่วไปคือมีชีวิตมีจิตมีกรรมมันจุดมันยุติตรสาภาพของคนทั่วไปมันอยู่แค่นี้นแต่เป็นธรรมะแล้วก็ปัญญาเวลาคะนี้ไม่ได มันไม่มีมันต่อไปไม่ได้ไม่คือคนทั่วไปในความแตกต่างเราคนปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติมันต่างกันอย่างนี้แล้วถ้าทำว่ะคนปฏิบัติทำก็ไม่ปฏิบัติมันต่างกันอย่างไรทาให้ปฏิบัติมันก็ไแก่สัญญากมีชีวิตเออจ้ามีจิตนะครับมันอยู่ในตัวเราแล้วก็มีกรรมการการะทํามีทุกคนเลยแต่ว่ากรรมอะไรกรรมดีกรรมไม่ดีหรือกรรต่างๆมีทุกคนแต่ถ้ามันมีธรรมะไม่ีปัญญาเกิดขึ้นเัาจึง มันก็ได้แค่สามอย่างได้แค่สามอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตมันออกจากร่างไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นช่างมา้าโอกไปหมูหมาก า, า, ายไปอะไยเขาก็มีจิตเหมือนกันแต่จิตคนนั้นไม่มีสินไปประกอบโดยยึดเพวันนั้นแต่ก็มีชีวิตแล้วชีวิตนั้นต้องประกอบด้วยสินแลาไปเสียสินให้ได้จิตของเราเช่นเดียวกันต้องควบคุมให้ได้ตั้งแต่ของอ่อนไม่ว่จพูงอะไรก็เลต่งอะไรก็ได้โดยมีสติสัมปชัญญะ มันคือมันมีวิญญาณการทำมะจี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ั้นเราไปจะได้แค่นี้ได้แค่สัญญาคือชีวิตจิตกรรมอันนี้คือสภาวะของคนทั่วไปในโลกใบนี้มันจะได้แค่นี้แหละแตมันขาดทุนนะมันแย่เ ย, ย่มากเนาเพราะนั้นพกเราถือว่าโชคดีนะพวเราเข้าอมาอปฏิบัติธรรมจําสิ่งภาวนาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีแล้วดีนใหม่อีกเข้าใจเรียนรู้มากขึ้น แต่ไม่เคยได้ยินฟังโอเปเรื่องใหม่เรื่อ่าเราพทีโอเปรน่าจะโกน้องปมาณนี้เองอย่าไปคิดว่าธรรมะจะถึงเรื่องยากซับซ้อนมันก็นึเข้าใจยากมันไม่ใช่เรื่องยากซับซ้อนเลยในตัวเรามีอะไรเรื่องยากซับซ้อเพแต่เราไม่พิจารณาเขาเราจึงไม่เห็นจึงไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เขาเลยเพราะเราไม่เรียนหนัสื เมื่อไม่มีการเรียนหนังสือมันจะรู้จักข้อไก่ข้อไก่ไหมอายุอูอูไหมหนึ่งภาษาสี่ไหมนี่ยถ้าเราเรียนก็เกิดการรู้เรียกว่าเรียนเราก็รู้สิ่งเหมือนกันรูปร่างกายของเราธาสี่ธาตาเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ลงมือเรียนมันก็ไม่รู้มันก็มีเหมือนกันนวดอะแต่เราไม่รู้เมื่อไม่รู้ธาตุห้าก็เป็นภาระเร ทกก็ไม่รู้จบก็ไม่รู้นะลำบากแลนะ้วนถะึงอันนี้คือความสําคัญในการปฏิบัติโดยเฉพาะ น, นี้คือลมหายใจซึ่งเป็นของที่ง่ายที่สุดแต่เป็นของที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นทําตัวนี้อนนเกิดความมีค่าเราจะมีคุณค่ากับโลกวันี้ในการเกิดในครั้งนี้เราถือว่าในเกิดครั้งนี้ต้องให้ได้ประโยชน์ให้มันมากที่สุดก็ถือว่าเราเสียประโยชน์เสียเวลามามาก แล้วต้องสอนมันอย่างนี้จิตอม่งั้นมันจะไม่จํามันก็หลงละเลยว่าเ อ, ออจะเอาจะรังไปนะเคยดครอบตัวไม่กลัไม่มั่นใจไม่มันคง จ, จิตใจเพราะมันเป็นนิ้มานานแล้วเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจจากนี้เป็นต้นไปทําความดีนะครับตัวเองเยอะเห็นตัวเองเยอะๆดูตัวเองเยอะๆเรียนรู้ตัวเองเยอะๆทั้งดีและไม่ดีต้องเรียนรู้เ เราจะเกิดในการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเชื่อมีการศึกษาเ ร, รียกว่าปริญญาตหรือว่าเสกถ้าจบแล้วก็ไม่ต้องเรียนเรียกว่าอเสกพอที่จบแล้วก็คือเป้าหมายคือพระนิพพานท่านนู้นที่มีการเรียนรู้อีกแล้วเรียกว่าอเสกบคุคคลอันนั้นไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรอีกแล้วแต่พวกเราทุกคนตอนนี้ก็เป็นเสกบคุคคลยังมีการเรียนรู้อยู่แต่เราไม่เรียนอยู่ เราไม่เป็นนักเรียนจะเอาความรู้มาจากไหนคําว่านักเรียนจะต้องมีครูมีผู้เรียนต้องมีผู้สอนแล้วใครจะเป็นผู้สอนเราถ้าเราไม่สอนตัวเองสอนองค์ไม่ได้จะเป็นตั้งอาศัยครูเป็น้องกําครูก็คืคอครูบาอาจารย์รที่เริ่มต้นที่แนะแล้วก็นําเราได้แนะก็ต้องแนะนำนี้แนะนถูกด้วยนําคือทําให้ดูช่งทัววันมันหายยาก คนที่แนะเราได้นําเราได้เนมันไม่แจ้งไงยิ่งต่อไปยิ่งยากยิ่งยากมากมากมในช่วงยากของเเป็นคนแนะมีผู้นําที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสช่วงที่เรายังมีชีวิช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีผู้แนะผู้นําที่ดีอยู่มโหประมาณมีเยอะเรอยู่ภูมิใจอให้รีบให้เร่งให้ทําว่าในขณะที่ยังมีคนแนะมีผู้นําอยู่ การศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจขั้นสี่ขั้นห้าอันนี้เราก็จะอรับประโยชน์จากการเกิ ด, เ, กดเจ็บแล้วก็ตาในงั้นตายตืนเกิดตื่ตายตีไม่ได้อะไรเลยถึงแต่กับพระแม่ อ, จอาจารนะทุกท่านแล้วก็ขออนุโมนาของเราทุกคนคือตั้งจิตตั้งใจเข้ามาฟังทำเพื่อธรรมะแต่นี่ซึ่งเป็นของกลางมีของคนใดคนหนึ่งค่ะเราโอปไว้ได้โกคือน้องของพินจนาแล้ว ไปรับประโยชน์ไ้รับอนิสงส์จากการยชนตนปยผู้อื่นประโยชน์ภายนอกทีโลกน่ะก็จะไม่งั้นแะมารับประโยชน์อะไรเลยปราประโยชน์ประกอบวความดีของเราทุกคอยลืมทบทวนรือพูดงั้งะดับต้นหรรับสี่วความสาคัญระดับสองถาคัญอย่างแต่ถ้าเราไม่ไม่ทฟังก็จะได้ว่าฟังฟังแล้วก็แล้วกันไป มันก็ไม้เป็นเด็เกดอะไรเลยเป็นเสียดาวคนพูดก็เสียดายคําพูดเสียดายที่โอตั้งจิตตั้งใจเรียบเรียงเรียงร้อยเท่าคำมาเพื่อให้กระชับเพื่อให้ง่ายเพื่อให้กระจ่งง่าที่เขาสื่อได้ถึงเวลาโชคดีเขาขออรรมทานความดีอบอกเราทุกคนขอความดีอนี้เป็นเป็นเครื่องปูปักรักษาพุ้่งพองดูแลของเราทายให้มีความยุขความเจริญอยู่ท่างโลกก็เ จ, เจริญแบบโลกอยู่ต่างธรรมก็เจริญแบบธรรมขออะไรทั้งหลายได้มีความเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพื่อน